สอบไปอีกแง่หนึ่งทางธรรมะท่านจึงพูดเอาไว้ว่าการทำบุญนั้นมีอยู่สามขั้นสามตอนเดยกันคือทำไปในอัตตาที่พยใตเอาความเห็นของตอนเป็นใหญ่ตนชอบใจยินดีอย่างไรก็ทำไปถือว่าสิ่งที่ตัวชอบใจทำไปนั้น มันไม่ผิดกฎหมายทำได้ก็ทำไปตามใจของตัวชอบจะผิดถูกเสียหายในทางธรรมะทางศาสนาอย่างไรคนนั้นเขาไม่ไสนใจเพราะเขาถือว่าเขามีหน้าที่จะทำเขาก็ทำของเขาไปไม่ได้เชื่อครูอาจารย์หรือนักตร์ที่แนสอนเชื่อ เรื่องของตัวเท่านั้นเอาใจของตัวเท่านั้นเอาความเห็นของตัวเท่านั้นเป็นสำคัญเป็นใหญ่ทางธรรมะันจริงถือว่าโลกเอัอตตาที่แพยใจคือถือตนเป็นใหญ่ไม่ได้เชื่อใครผ <c oughs> ิดถูกอย่างไรใครจะแน่สอนไม่ฟังเสียงนี่เรียกว่าอัตตาที่แพยใตทำไปด้วยความ เข็นของตนโดยไม่ได้ปรึกษาหาเหตุผลทางอื่นนี่เป็นเรื่องหนึ่งข้อที่สองโลกาที่แพยใตโลกเขาเคยทำแบบไหนก็ทำไปแบบนั้นไม่มีการแยกไขไม่มีการปรับปรุงว่าถูกผิดดีชั่วอย่างไรเขาพาทำกันก็ทำกันไป ผลได้รับจะเป็นอย่างไรก็ไม่เคยคำานึงคิดถึงความทำของตัวขอแต่ให้โลกทั่วไปเขาพาทมก็ทากันไปอย่างนั้นเช่นการทาบุญต่างๆโลกเขาถือมรรคศพคบงานเป็นสำคัญถ้าไม่มีมรรคศพแล้ว เขาดูหมิ่นนินทากันว่าทาบุญแบบนี้ไม่ดีไม่สนุกสนานอะไรทาบุญต่อมีมังหะและศพมีหนังกี่จอมีลิเจละครมีวงดนตรีมีบอกลำวงอะไรยิ่งมีมากเท่าไรคนเล่นเขาก็ยยิงชอบใจอาหารการอยากกินก็เหมือนกัน ทำบุญตรงหามาให้คนมาในงานหยิมน้ำสำราญทุกถั่วหนะ้าตลอดถึงเหล่าถึงยาสิ่งที่คนชอบคนปรารถนาหามาอ ก, กระทึกคึกโคมกินกันแล้วว่อนรำกันตีกันข่ากันขาดไม่ได้ถ้าขาดแล้วเขาดูหมินม่นนินทาถือว่าบุญนั้นไม่สนุกสนานกัน นี่เป็นเป็นเรื่องใหญ่สำคัญไม่ใช่ว่าตั้งใจคะาฆรววาสญาติโยมพระเจ้าพระสงฆ์กอถือกันเรื่องโลกาที่ไปไต่ถือกันฝังแน่นถอนไม่ค่อยขึ้นเพราะเคยทำมาไม่ทราบ ว, ว่ามันผิดถูกดีชั่วอย่างไรก็ททำกันไปอย่างนั้นจัดงานเมื่อไรก่อต้องมีมหาลัษพบเข้ามาเกี่ยวข้อง ในวงงานในอย่างนั้นก็ไม่สนุกสนานทั้งมีตำราบางชนิดบางอย่างถึงคนประเภทนี้เขาเขียนเอาไว้เพื่อจะให้คนทั่วไปเกิดศรัทธาเชื่อมั่นว่าการทำบุญด้วยตัวเองนั้นไม่มีมหรศจรรยบครบงานไม่มีเพื่อนฟุงชอบพอมารวมการบุญการกุศล คนนั้นเป็นบุญเป็นกุศลอยู่แต่เธอว่าตายไปแล้วถ้าไปเกิดเป็นเทวดาเทวบุตรอยู่บนปราศาสตรวิมานคนนั้นจะไม่มีบริษัทบริวารจะนั่งโคโหมกอยู่คนเดียวในปราศาสตร์อย่างนั้นคนก็เลยกลัวกันว่าจะไปอยู่โดดเดี่ยวไม่มีบริษัทบริวารเผื่อนฝุงสนุกสนานทำอันนี้แหละมันเป็นคำที่ฝัง แน่ในจิตในใจของมนุษย์ทำอะไรเข้าก็จะต้องมีมหรศกยิ่งที่ใดไม่มีวัดป่าไม่มีพระกรรมฐานแนสอนที่นั่นมันเอากันใหญ่กันตัวจริงๆริ่ยัจังทำปราสาพึ่งเพียงอันเดียวทถานั้นก็ไปทำอยากยุ่งใหญ่โตอะไรเอาสารไอ ไม้ไผ่แล้วก็เอากาบกล้วยมาติดๆข้าก่อนทดอกพึ่งเสียบๆกันไปไม่มีคุณขาะะ่าสาระหนักเนี่ยอะไรทําแต่ละต้นก็ไม่กีบบาทแต่เครื่องมอหัวพับของเขาสามารถเสียเงินเสียทองไปเป็นพันเป็นหมื่นมาคบงานกันสนุกสนานแต่ที่ไป ทอดในวัดที่จะเป็นบุญเป็นกุศลจะเขานั้นเพียงปราสาทพึ่งหอเดียวนิดเดียวเท่านั้นไม่กี่สตางค์นอกจากนั้นวัวควายสัสตว์ต่างๆตายไปนับไม่น้อยเหมือนกันเพราะคนเมื่อมีมหารัยพคนนั้นก็มาคนนี้ก็มาคนไหนมาก็เอาปากเอาท้อง มาถามอยู่ถามกินกินอาหารแล้วยังไม่พอถามเหล่าอยู่ที่ไหนมีไหมทำไมไม่หามาจาเป็นจะต้องวิ่งบุ่นหาเหล่าหายาหาอาหารเพียงดูปูเสือเขายิ่งทําใหญ่โตขนาดไหนมีอะไรอยากอะไรกินเพียงพอบรอิบูรณ์ ฆ่ากันตายสองศพสามศพนั้นเขาเล่าลือกันว่าสนุกมากงานนั้นเขาถือกันอย่างนั้นนี่คือโลกาที่ไตญ ย, ยังทำกันอยู่ในสมัยปัจจุบันทุกวันนี้ยังมีกันอยู่แค่ทุกหนทุกแห่งถ้าทำบุญอะไรขึ้นบุญขึ้นบ้านใหม่หรือบุญวันเกิดหรือบุญอะไรเล็กๆน้อยๆก็ต้องมีหมหอร่าศก แไม่อย่างนั้นเขาถือว่าคนนั้นแตนีเนี้ยแน่ทำเอาแต่ตัวไม่สเสียเรียเเสือแผ่เพื่อนฝุงนี่เรื่องของโลกาทิพย์ไตมันฝังใจของมนุษย์แก้ไม่ตกง่ายง่ายถ้าหากคนไม่พินิจใจนาะหาเหตุผลจริงจังมันแก้ไม่ตกแต่บุญกุศลจะเกิดขึ้น จากการกระทำนั้นมันนิดเดียวเสี่ยวเดียวในจำนวนร้อยกแต่บาปกรรมที่ทำไปนั้นมากไม่นับไม่ถ้วนแต่เขากลนิยมชมชอบกันเพราะปากคนพานมันสนละเสริญเหมือนกันกับแมลงวันมันชอบพ้องเน่ามีที่ไหนมันกว่บินไปตอมกัน กินกันโยกาที่พาะไตรธรรมาที่พาไตรไม่ได้ถือตนเป็นใหญ่ไม่ได้ถือโลกเป็นใหญ่ใส่คิดที่จิตนิดพิจรารณานในจิตในใจเมื่อสงสัยก่อนไต่ถามท่านผู้รู้ว่าทำอย่างไรมันจึงจะเป็นไปเพื่อบุญเพื่อกุศลจริงจังท่านผู้รู้เนี่ย ให้มาพิจารณาโดยใจว่าเห็นถูกต้องตามที่สนแนให้ก็ทำไปใครจะแช่งจะด่าก็ช่างเขาใครจะตำหนินินทาก็ช่างเขาไม่ได้เอาตนเป็นใหญ่ไม่ได้เอาโลกเป็นใหญ่ขอให้มันเป็นไปในทางถูกทมถูกวินัยเป็นไปเพื่อบุญเพื่อกุศลเกียตนตนของตนจริงจังเขานรยมชมชอบทาพวกนี้รู้สึกหาญ เพราะโดยมากมันหวั่นไหวในลมปากของคนไม่ได้เชื่อในเหตุผลทางอัตทางธรรมโลกจึงยุ่งเยิงอยู่เรื่อยมาพระที่จะพูดธรรมะในเหตุผลจริงจังนั้นก็หายาเพราะพูดไปมันจะผิดหัวใจของคนเขาจะไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธาเลย เองใจเขาอีกอย่างหนึ่งท่านเองก็ชอบอย่างนั้นไม่ได้ใฝ่คิดพิจารณาว่าอะไรผิดถูกชั่วดีมันก็เลยหยืดเยือติดต่อกันมาตลอดปัจจุบันท่านตาเรื่องโลกาทิพย์ ไ, ไตอาตาทิพย์ ไ, ไตเรเผดธรรมาทิพย์ ไ, ไตนั้นหายากคนที่จะมีความรู้ความเห็นตรงไปในอดในธรรม หาพิจารณาตามหลักเกณฑ์คำสอนของพระพุทธเจ้าเราอย่าไปหว่นไหวเราทำไปเพื่อตัวของเราเข่าขอเงินทองที่เราทำไปนั้นไม่ใช่จะทำให้คนอื่นเขาทำให้เราเองเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะรักษาไม่มีกฎหมายข้อไหนที่จะบังคับบัญชาว่าต้องทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนั้นแล้วท้ง กฎหมายจะจับคุมคุมตัวอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีการบังคับกันกฎหมายก็ไม่บังคับคนอื่นภายนอกเขาก็ไมห่หามาให้เราทําไปถ้ามันผิดมันก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรแก่ตัวของเราดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องพิ่นิพพิจนะรอบข้อที่ท้วนแน่นอน คำสอนี่เขาว่าทำบุญไม่ประกาศในคนอื่นเขาอนุโมทนาไม่มีมหรละพครบงานมาในงานบุญนั้นคนทั่วไปเขาไม่ได้มาเกี่ยวข้องในบุญในงานของตนตายไปแล้วจะเป็นคนโดดเดี่ยวไม่มีบริษัทบริวาร น, นั้นอันนี้ก็ ถ้าหากเราพิจารณาตามตำราที่พระพุทธเจ้าท่านเคยกระทำบร ม, ม, มเพนมาก็มีทางที่จะพิจารณาได้ยกตัวอย่างสมัยพระพุทธเจ้าของเราเป็นโพธิสัตว์เวสสันดรตอนนั้นท่านให้ทานทุกสิ่งทุกอย่างจนไผ่ฟ้าประชาชนทั่วไปเกิดความอิจฉาละอายใจ ถ้าหาดฝืนให้ท่านเป็นกษัตริย์อยู่นี้คงไม่มีอะไรเหลือหรอจะให้ทานไปหมดเพราะท่านมีจิตใจเลื่อมใสในการให้ทานใครขออะไรให้ท้งนั้นอย่างช่างจึงเป็นขู่บารมีของท่านราคาหาประมาณไม่ได้มีพามมาขอกว่ายังให้ไม่แต่เท่านั้นมัดซี ซึ่งเป็นอัคชายาเป็นแฟนของท่านมีคนมาขอท่านก็ให้ลูกลักของท่านทั้งสองการหาชาลีพามาขอท่านก็ให้หนอกนั้นถ้ามีผู้อยากได้ดวงหัดไทยมาขอท่านก็ยอมให้ลูกตาทั้งสองข้างมีใครมาขอท่านยอมเสียสละทั้งนั้น ท่านเป็นนักเสียสละกท่านเป็นนักบริจาคท่านไม่ตันีหึงหวงอะไรเพราะใจมุ่งหวังโพธิญาณความคิดอ่านเป็นอย่างนั้นพอเป็นอย่างนั้นขู่คนประชาชนทั่วไปก็ขับไล่ใสส่งเนรเทศพูด ง, ง่ายงให้หนีอยู่ในนี้เป็นกษัตริย์ไม่มีอะไรจะเหลือหรอจะปล่อยเอาไว้ไล่ท่านนี้ ท่านก็ย้อมหนีตามคำไล่ของเขาพระร า, าบีดาสใสัยก็เห็นพร้อมกับพวกไผ่ฟ้าไปชาชนขับไล่ลูกชายของตนออกจากราชสวังให้หนีไปในประเทศไปอย่าอยู่ในเขตแพนอันนี้ในแผ่นดินที่เราครองอยู่นี้เขาไม่ให้อยู่ท่านก็หนี้ไปตามกรรมของท่าน แต่บมื่ดนี้ไปหรือความเสียใจขอให้ได้ทำสมปรารถนาเป็นเพียงพอตอนท่านจะหนีท่านก็ขอทำบุญให้เต็มใจเสียก่อนพอนี้ไปพวกทางสำนักราชสว่างจัดอะไรตามส่งถามตามขอท่านก็บริจาคหมดผลที่สุดก็อุม้มลูกเข่าปากเลื่อยไปจนไปถึงเขาวงกฎ เป็นสถานที่วิเวคท่านก็ทือว่าฐานบารมีของเราได้กระทํามาสมบูรณ์แล้วเต็มส่วนแล้วเราไม่มีอะไรมาอยู่ในป่าจะต่องสั่งศีลบาตรมีคือรักษาศีลท่านก็ตั้งหน้ารักษาศีลของท่านลูกของท่านก็บวชเป็นเลือดศีตัวของท่านก็บวชเป็นเลือดศีตัว แฟนของท่านท่านอชายาของท่านก็ให้บวชเป็นลาเป็นฤาษีฤอษีนีผู้หญิงอยู่ในป่าแต่ก็ปรากฏว่าตามตำนานว่าร้อนไปถึงภัะอินเป็นบุญเป็นกุศลเราจะอนุโมทนาในความดีของท่านเป็นปัตตานุโมทนาไหม คือความยินดีเรื่อมใสในผู้สั่งความดีไม่มีใครเลยในประเทศอันนั้นในแควนอันนั้นในแผ่นดินอันนั้นแต่เพราะท่านสวรรคตคือเพราะท่านตายแทนที่จะไม่มีบริษัทธบริวา ร, รไม่เป็นอย่างนั้นท่านไปนเกิดดุสิตสวรรค์ปรากฏว่าบริวารของท่าน หลายแสนหอมล้อมดูแลรักษาหนีผูดถึงตามตำหรับตำลาจากนั้นพอถึงการถึงเวลามีพวกพร <c oughs> มพวกพระอินทร์แป่อาาธนาทูลเชิญท่านลงมาเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นพระพุทธเจ้า <c oughs> ก็มาเกิดในตระกูลของกัตสัตว์เป็น ราดโอรสของพระเจ้าสุธโธธนะพระนางสิมหามายาเกิดในกรุงกระบินพัตตอนทันมาเกิดตอนอยู่ในพระทันก็ดูเหมือนว่าตามตำหรับตำรามีท่าจากเท่าจตุบาลทั้งสี่ ดูแลรักษาพระคันของมารดาพระคันนั้นตามหนังสือที่กล่าวเอาไว้ไม่เหมือนคันของคนธรรมดาคือคันของท่านที่พระที่อาศัยอยู่นั้ น, นพระลาดมารดาของท่านท้่องไม่นูนออกมาเหมือนคนธรรมดาปกติร่างกายผิวพรรณทองใส ยิ่งกว่าที่ท่านยังไม่มาเข้าในคันป ก, กติคนทั่วไปเมื่อมีท้องมีคันสืนหน้าตาที่เคยสดสืเคยสวยงามจะต้องเป็นไปอีกแบบหน้าดูรูปร่างกายของคนมีคันท้องเกาะนูนออกมาจนมองไม่เห็นฝ่าเท้าปลายเท้าของตัวเพราะมันปิดบงัง มีในเป็นอย่างนั้นท่านอยู่ในคันโดยไม่แตกเกื่อนด้วยบุพโพโลหิตพอะประสูตรมาก็ตามตำราพูดไวหน้าอับัยจันไร้ย่างนอกจากนั้นผี่ยังนางนมก็ดูแลรักษามากมายไม่ใช่ว่าท่านอาภัพอวนะัตนาเพราะทาบุญสุนทาน ไม่มีใครอนุโมทนาตามท่านจนเป็นนมมีอคชายาคือนางพิมพาและสนมหกหมื่นคนที่เฝ้าดูแลรักษาท่านมันมาจากที่ไหนถ้าทำความดีโดยคนอื่นไม่อนุโมทนาด้วยไม่มีบริษัทบริวารตายไปแล้วจะโดดเดี่ยวไม่มีใครจะเป็นผู้ มาเป็นเผื่อนฝูงพระพุทธเจา้าของเราตามตำหรับตำร า, าว่าอย่างนั้นตอนไปเกิดสวรรค์หรือตอนมาเป็นพระพุทธเจา้านอกจากนั้นพอเบื่อหน่ายในคารวดสมบัติออกประพฤติพลพรหมจมั น, จนทเสด็จพิเนศกรมเบื้องต้นทันเกลไม่มีใครไม่เอาใครไปติดตัง ทั้งทงที่เป็นกษัตริย์เคยอยู่สุขอยู่สบายไม่เคยทําอะไรพอเสด็จออกไปเคยอยู่สุขอยู่สบายไม่เคยทําอะไรพอเสด็จออกไปพิเนะกมนายฉันอมากติดตามท่านไปท่านก็ขับไล่ให้เอาเครื่องกษัตริย์กลับคืนมาอัจฉริะ อสวรรค์ถึงเป็นหมาพระที่นังของท่านเกิดวันเดียวกันกับท่านหมาตัวนั้นนายสันอม่าตัวเกิดเป็นสางอาซาต์คือเกิดพร้อมกันวันเวลาอันเดียวกันกับท่านท่านก็ไล่กับมาหมดมาพอถูกท่านไล่ก็กลมหัวลงเรียผ้าบาตพอนี้ไป ห่างไกลจากท่านรับตาเท่านั้นอกแตกตายไปเกิดสวรรค์นี่ตามตำราทางศาสนาประถมสมโพธทิท่านล่าวไว้เป็นไปอย่างนั้นท่านก็อยู่องค์เดียวขอทานขอจินนอนดินนอนหญ้าไม่มีใครไปปฏิบัติดูแลรักษาท่านทั้งที่ท่านเคยเป็นกษัตริย์สุขสบายมาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าที่ประทับ ที่บันทมอาหารการเสวยทุกสิ่งทุกอย่างท่านอุดมสมบูรณ์พอเป็นกษัตริย์ไม่เคยอยู่ในป่าในเขาไม่เคยได้รับความอดอยา ก, ยากจนแต่ท่านก็ทำมาแล้วไล่นี้หมดไปสุดฉีดคือไม่อยู่ในแผ่นดินของท่านที่เคยอยู่เคยอาศัย ไม่มีใครทราบว่าท่านเป็นอะไรมา ก, ก่อนเพราะเครื่องของกษัตรินั้นถอดไปหมดสวมเครื่องของนักบวชใส่ตัวเข้าไปผมที่ที่สากโกนทิ่งคนที่เขาไม่เคยเห็นว่าท่านเป็นกษัตริย์เป็นเจ้าเป็นนายเขาก็เห็นว่าเป็นนักบวชธรรมดา นักบวชสมัยนั้นก็โดยมากมีแต่พวกลือสีไม่มีนักบวชในพุทธศาสนาเพราะท่านเป็นคนแรกที่ออกบวชความลำบากยากเย็นอยู่ในป่าในเขามุ่งก็ไม่มีอยู่มันก็มีหน้าฝนมาก็ไม่ทราบว่าท่านอยู่ตามถ้ำหรือตามโพงไม้หรือที่ไหนเราก็ไม่เห็นโดยตาของเรา แต่ต้องลำบากแน่แนไปบินทบาทขอทานเข้ามากินนั้นเขาให้อะไรก็ใส่ลงไปในบาทท่านก็เสวยเห็นว่าสิ่งนี้ไม่เบื่อสิ่งนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อกายก็คมพระไทยเสวยไปไม่ได้เลือกว่าอันนี้ไม่สมฐานะของเราเราเป็นกษตรเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ของตามช้าลามกอย่างนี้ไม่ส่งควรแก่เราถ้าองค์ไม่เคยคิดขอให้สิ่งนั้นไม่เป็นพิษเป็นภยัยเสวยไปพอประทังชีวิตเป็นอยู่เท่านั้นไม่ต้องการรสชาติอร็อร่อยอะไรขอให้ชีวิตอยู่ได้ได้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ท่านมุ่งหวัง อย่างยิ่งก็คือความตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหมดอาสวะจิเลียในจิตในใจนี่สิ่งที่ท่านมุ่งหวังอย่างยิ่งสิ่งอื่นก็เลยไม่เป็นอุปสรรคอยู่ได้ทานได้นุ่งห่มได้ประทับได้บัรทมได้เพราะความมุ่งหวังในใจมุ่งหวัง ที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดยิเลสตัณหาสำลักใจของตัวให้บริสุทธิ์สะอาดเมื่อตัวขล้องตัวพ้นไปจากทุกโทษชั่วเสียต่างๆได้จะได้ช่วยเหลือสันโลกทั่วไปให้เขาเหล่านั้นได้เห็นช่องทางมีช่องทางประพฤติปฏิบัติเพราะการเกิดแจ่เจ็บตายนี้ไม่มีใครที่จะมีอำนาจราศัก์ บังคับบัญชาได้จะเป็นกษัตริย์จักรพรรดิราชก่อตั้งบังคับไม่ได้บังคับสิ่งอื่นได้ทำสิ่งอื่นได้แต่จะบังคับไม่เกิดให้แก่ให้ตายนี้บังคับไม่ได้มันทาไมถึงเจงกาตวิเศษขนาดนี้เรื่องความเกิดความแก่ความตายนีเมื่อมีเกิดมีแก่มีตายความไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายมันคงมีแน่ แต่จะให้อยู่ในปราสาทสว่างภาล า, า, า, านาทีมากมันก็ไม่มีโอกาสเวลาที่จะวินิจฉัยว่า น, นี้หนีไปอย่างนั้นภาลาน้าที่ไม่มีสิทธิอนุสิทธิหน้าที่ของเราจะวินิจฉัยพินิจพิจรารณาพาให้เห็นต่างหน้านั้นจนเหลือแต่หนังหุ่มกระดูกไม่มีกําลังเรี่ยวแรงอะไรธรรมะ ที่เป็นสายโลกเป็นบุคลาธิฐานท่านจริงวะท่านสลบไปสลบสไลดไปการทรมานกายอดนอนผ่อนอาหารนั้นจะเป็นทางสัตรูสมัยนั้นลือสีทั้งห้าคือคนทันยะวัปปะพัฏธิยะมาหานามาสอสสิซึ่งเป็นฌาม ไปจำสำนักราชสวังเป็นหมอดูโหนใหญ่โหนหลวงทายแน่นอนแม่นยันที่สุดตอนผันเกิดมาใหม่ๆอุบัติมาใหม่ๆประสูตรมาใหม่ๆที่พระเจ้าฝึทโทูนะหาพามลอยแปดไปทานายคนทัญญะคนหนึ่งที่ไปทำนายท่านคนอื่นทำนายว่า ราดกุมารคนนี้มีคติเป็นสองถ้าอยู่ในคารวาสจะต้องเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรร ด, ดิราชไม่มีกษัตริย์ใดหน้าไหนจะประเสริฐวิเศษเท่าท่านท่านจะครอบครองไปหมดเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในโลกไม่ใช่ในประเทศแต่ท่านออกบวชจะเป็นพระพุทธเจ้าทามทั่วไป ทศทำนายทายทักอย่างนั้นแต่คนทัญญาทามนี้แน่ใจที่สุดว่าราชกุมารองค์นี้จะหนีออกบวชจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่ท่านจึงได้หนีออกไปบวชก่อนเป็นฤาษีคอยแล้วลูกของทามที่มาทํานายทายทักนั้นก็เลยชวนกันออกไปได้สี่คนหาตกคนทัญญาไปบวชก่อนพอได้ยินว่า ท่านเสด็จพิเนศกรมคือออกบวชกติดตามสแสวงหาว่าจะไปพักอยู่ในที่ไหนในข่าวก็ไปสุดปฏิบัติอยู่กับท่านเห็นการทรมานกายการอดนอนผ่อนอาหารการทำทุกข์กับจิิยานั้นสมัยนั้นคงจะถือกันเป็นสำคัญใครทำมากเท่าไรคนนั้นจะมีทางพ้นทุกมีทางตั้สรุ ความเชื่อของ t า m ม, มันก็นักแน่อย่างนั้นทั้งๆ ท, ที่เคยทำนายมาแล้วว่าท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าก็เชื่อมั่นว่าท่านจะได้โดยวิธีนี้แต่พระพุทธองค์ทำไปทาไปจนสลบสลายจนล้มตายลงไปมีไพ่อินนำพินสามสายพอฟุ้นจับสลบมาดีดให้ท่านดูดีดมัน สายมันตึงเกินไปพอดีดเท่านั้นมันก็ขาดสายมันหย่อนเกินไปดีดได้แต่ไม่มีเสียงหรือเสียงไม่เพาะจะสายกลางนั้นดีดได้เสียงไพเราะไม่ขาดนี่เป็นโลกาทิปใจหรือปุขาลาทิฐานที่ท่านกล่าวเอาไว้เพื่อจะให้พวกเราผู้ฟัง มาวินิจฉัยคิดอ่านดูว่าสายกลางนั้นคืออย่างไรตึงคืออย่างไรหย่อนคืออย่างไรเพื่อจะปรับความคิดเห็นของตัวให้ถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนั้นว่าทรมานกายนี้แเราทรมานมาจนสลบสลายก็ไม่มีอะไรที่จะตกหล่นออกไปทางจิตทางใจทางกิเลสตัณหาอวิชชาอุปาทาน เคยอยู่สุขสนุกสบายในปราสาทราชวังอยากเสวย อ, อะไรก็เสวยไปอยากทำอะไรก็ทำไปโดยไม่เดือดรมานอะไรเราก็เคยมาแล้วนั่นคือหยอดเกินไปสายกลางคืออยางพระพุทธเจ้าของพิเญนาจึงทรงตับเสวยพระกายาหารอีกปัญจวัคคีย์ทั้งหาเห็นว่าพระสี ธ, ธาตุเอพระสี ทัตตะลาดกูมาขายความเพียนเวียนมาเผื่อความมากมาก ม, ากม่มีทางผิดจะสรู้ได้ก็เลยหนีไปนี่เป็นเรื่องในพระปถมสมโพธิ์พอหนีไปทันอยู่คนเดียวกว่าวิเวกสวยอาหารไปพอมีกําลังนิดหน่อยก็พิพจารณาภายในตั้งใจกําหนดจิตใจไม่ได้ทรมานแต่จะเรื่องของกายทรมาน เรื่องของใจด้วยสติด้วยปัญญาพิเนตพิจารณาอยู่เฉพาะท่านองค์เดียวในวันวิสาขบาูชานั่มีตอนเช้ามีหญิงคนหนึ่งชื่ออะไรจำไม่ได้ชื่ออะไรจำไม่ได้มาถวายข้าวมาถุข้าวไอ มาถูกปรายาิก้อนแจท่าน4ีิบเก้ากอนท่านก็ฉันจนหมดตอนํำมาก็สแสวงหาที่พักเหมาะสมเดินไปก่มีพามเกียวยามาถวายท่านอยาชาแปดรมนี่ก็คงจะเป็นมักแปดแต่พูดเป็นปุกลาทิฐานเราก็เลยงงงันกันไปที่ประทับของท่านที่นั่งของท่าน อาศัยอยากทาอยากทาเราทุกวันนี้มันก็มีเหมือนกันคนนั่งอยากทานั้นมันก็อ่อนนิดหน่อยหรอกแต่ว่ามันทายมันท่านเห็นเหมือนอาสนะที่พวกเรานั่งเราอยู่นี้ไม่เหมือนแต่ท่านก็าอาศัยอันนั้นแหละเป็นบรลลังก์ที่จะทําในวันนั้นตั้งศัตรูที่ฐานมั่นคงลงไปทางหาก เมื่อไรเราไม่ได้ตัดสัรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่มีธรรมลิเสตเกิดขึ้นเราจะนั่งอยู่นี้เลือดเนื้อในกายมันจะเหี่ยวแห้งไปกช่า่งมันเราจะนั่งอยู่นี้ตายอยู่นี้ไม่นี้จากที่นี่เป็นสัจจะที่ฐานของท่านในวันจะตัดสัตย์รู้เพื่อจะไม่ยอมลุกจากที่นี้ไปไหน ถ้าไม่ได้ตัดสัรู้ในในคราวนี้จะไม่นิบไปที่ไหนอุทิศชีวิตต่อสู้พอทําไปทําไปจิตธรรมดามันไหนรวมลงไปมันก็มีกางการะสรับกระส่ายก็ท่านก็คนเหมือนกันกันกบเราถาดอันเดียวกันขันอันเดียวกันนั่งไปนานความเจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามันก็เกิดขึ้น นั่งไปนานไหมเห็นอะไรในจิตในใจจิตใจมันกปกุ้งคิดไปต่างๆทางตำรับตำลาถึงจริงวาพยายาม า, าลาธิราชส่งลูกสาวลงมาหลอกลวงพระศิธถากุมาลูกสาวของมารก่ชื่อแปลกๆนางตันหานางราคานางอารดี สามคนนี้ เ, เป็นลูกสาวของพญามามาหลอกลวง ท, ทิฏฐะให้ลุ่มหลงธรรมดาผู้ชายก็ต้องหลงในเพศตรงกันข้ามคือผู้หญิงนางทั้งสามนี้รอลอเหลาสวยงามหาคนเปรียบเทียบไม่ได้นางกันหาก็ไรํำทำเพลงต่างๆนานานทำจิิยามารยาทให้เกิดความอยากได้นางราชา ก็ทำถาทีทุกอย่างให้เกิดความกำหนัดยินดีมาหลอกลวงด้วยเร่โกนต่างๆเพื่อให้ท่านลุ่มหลงนี่หมายถึงปุขลาที่ฐานความจริงถาเป็นธรรมมาทิฐานก็คือความนึกคิดของท่านเมื่อจิตใจไม่รวมลงไปไม่เห็นอัตเห็นธรรมอัศจรรย์อะไร จิตใจก็อไข่คิดไปเราอยู่ป่าสาลาะวังนี้นางพิมพ์พานัสมนมมากมายหลายหลวงขนาดนั้นมีความสุขความสบายนี่เรามาทนทุกข์อยู่ในป่าในโรงไหม่เกิดความรู้ความฉลาดอะไรจิตใจแวบออกไปคิดออกไปคิดออกไปอย่างนั้นเรียกว่าตันหาความอยากเกิดความกำหนัดยินดีชอบพอในอารมณ์ทั้นยาวที่เคยผ่านมา เรียกราคาราคาความยินดีอย่างนั้นคือความยินดีในบาปเรียกว่าอาลัตตีนี่ทาหาพูดมาเป็นธรรมาทิฐานเป็นอย่างนี้เพราะทานละลึกได้อ่ะเราหนีมาไหมจะมีใครขับไล่สายส่งเรามุ่งมาปฏิบัติเพื่อตัดสรุแล้วเราจะมาทอถอยทำไม ก่อเราจะนั่งแล้วก็ผูกใจมั่นแล้วตั้งสัจจะแล้วมันจะเป็นอะไรมาเราจะไม่หนีจากที่เป็นอันถัดเราจะนั่งอยู่นี้พิจารณาอยู่นี้อะไรเกิดขึ้นมาก็จะให้มันรู้จะให้มันเข้าใจจะให้มันละมันถอนจากความติดข้องทุกอย่างไปกําหนดอยู่กําหนดเลื่อยไปแต่ใจยังไม่ลงรวมพอเรื่องเหล่านั้น มันหมดไปตําราก็ถือว่าลูกสาวของมานมาหลอกลวงท่านท่านไม่หลงไปตามท่านมวนเจละคือน้ำลายออกไปเราไม่อายอะไรใายห่วงอะไรตัวของเธอทั้งสามที่ว่าสวยว่างามก็เท่าๆกับน้าลายของเราเนี่ยเราไม่มีการได้อะไรพวกเหล่านั้นร่างกาย ก็แก่เท่าไปข่อมไปไม่มีอะไรที่จะสวยงามกลับไปหาพระราชบิดาคือตัวพญามารพญามารโกรธเลยลงมา้าแบวนั้นตามตำหลับตำลาที่เ ข, เขาเขียนเอาไว้ในพระหุงพญามารมารบพระพุทธเจ้าฝุ่งหอกขี่ช้างอะไรต่ออะไรรูปร่างไนที่เขาเขียนไว้น่ากลัวนั่นคือเป็นเรื่อง บุคคลาทิ่ฐานถาทมาทิฐานแล้วไม่เป็นอย่างนั้นมารก็คือจิเลสธมานความไข่คิดในจิตในใจขันธมารคือลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นมานรเทวบุตรธรมาก็คือ เรื่องจิตใจใครคิดไปในทางดีอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ทางที่จะตัดทะรุคือคิดอยากจะอยู่ในโลกมัดจูมานคือความตายมันมีด้วยกันทุกคนพอนั่งไปนานๆเข้าขความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นนะมันปวดอันนั้นก็จะแตกอันนี้ก็จะพังเหมือนนงนุษเ่ นั่งไปฟังคำไปเนี่เพราะมันก็ไม่ทราบว่ามันเป็นอะไรใจมันจะขาดกระซับกระสายไม่มีความสุขความสบายให้พอหยุดเทศหยุดสอนเท่านั้นมันก็หายเหมือนปิดทิ้ง น, น, น, น, นี่เหรอมานขันธามานกิเลสมานมัจุมานมันมาลบกวนบรลลังก์แต่ท่านก็คิดได้ นึกได้ในพระไทยของท่านมันจะเป็นอย่างไรเป็นกันเราจะไม่หนีจากที่เป็นอันขาดมันเกิดขึ้นได้มันก็มีวันที่มันจะดับได้จะเป็นจะตายเราจะอยู่นี้ถ้าไม่มีอะไรดีวิเศษเกิดขึ้นท่านมุ่งมั่นตั้งมั่นอย่างนั้นทางศาสนาจึงพือว่ามีนางธรณีมาช่วยเดีวรีบ มวยผมออกไปเป็นน้ําท่วมพวกพญามารตายกันไปน้ํากว่าน้ําพระไทยของพระองค์อ่ธรณีจิตใจแน่นหนาเหมือนแผ่นดินใครจะเอาไฟเผาขุดก่นไปที่ไหนทําอะไรแผ่นดินเคยไม่เคยหวั่นไหวนี่น้ําพระไทยของพระองค์หนักแน่นขนาดนั้นไม่มีวันถอยหลังสางหากัากเลยเดชะสรู้สู่พญามารด้วยขันติ วิริยะสัจจะอธิษฐานสู่การจริงการจังจนชนะมานไปจิตใจลงรวมเกิดความรู้ต่างๆเป็นผุกเพณนิวาสานุสติญาณและลึกการหนนหลังดาเคยเกิดเคยตายอยู่ที่ไหนเป็นอะไรทราบดีเกิดจตุปาตยานทราบวา่าสัต อยู่ในโลกอันนี้จะเกิดมาแล้วจะมีชีวิตเป็นอย่างไรจะตายไปเมื่อไรเกิดในวันนี้เท่าไรตายไปในวันนี้เท่าไร่ตายไปได้จะไปอยู่พบไหนพิจารณาไปทราบทั่วไม่มีอะไรปิดบังนี่เป็นพยานของพระ อ, องค์ที่จัด ท, ทําบําเพ็ญจิตสงบเย็นลงไปเป็นสมาธิเกิดอุปจาระความรู้ ออกท่องเขียวดูพบชาติต่างๆเรื่องต่างๆจนจวนจะสว่างในคืนวันนั้นก็เกิดอาสวะคคายยานคือทำอาสวกิเกลียดในจิตในใจหลุดออกไปหมดออกไปตกออกไปเป็นพระพุทธเจ้าเต็มที่หนีการกต่ทำมลเพนของท่านทำมาอย่างนั้นในใจท่านทำแบบกลางอย่างพวก คนเราที่มีกิเลสตัณหาอดข่าวอดปาทานมือเดียวมันเพ่งเกินไปนัง่งภาวนาเป็นชั่วโมงมันจะตายมันเพ่งมันพิดเป็นอัตะกิละถานุโยกทรมานตนไห้ลำบากอยากยุ่งเดินจงกรมจะไปเดินทําไมเดินมันปวดแข้งปวดขา้ายกลางของเรามันแบบนั้น้ายกลางของเรามันอยู่ที่หมอนทําอะไรก็ปวดเจ็บ หมอนแต่ที่นอนมันจะขโมยหนีทํานี้นิดหน่อยน่อยก็กลัวแต่จะตายกลัวแต่กิเลสมันจะหายจากใจนี่สายกลางของพวกเรามันกลางอยู่อย่างนี้กิเลสมันจริงไหมหนีจากจิตจากใจถ่วมทับอยู่เรื่อยไปปิดบังเอาไว้จะทำอะไรก็กลัวแต่ตัวจะตายมันคิดอย่างนั้นมันจะงไม่มีอะไรเกิดขึ้น ฝ่ายมักฝ่ายผลฝ่ายดีฝ่ายเด่นมีแต่เรื่องกิเลสตัณหาทับถมโจมตีอยู่เรื่อยมากกลางแบบนี้กลางของพวกเรากลางของพระพุทธเจ้านั้นเอาชีวิตเป็นตัวประกันตายก็าตายไปเถอะถ้าไม่รู้ไม่เห็นมันจะเจ็บจะปวดขนาดไหนพอนมันเจ็บมันปวดไปมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราจะไม่ยอมหนีจากที่ครบรีชีวิตอุทิศในการกระทำของตน นเด็ดเดียวกล้าหารขนาดไหนนี่สายกลางของพระพุทธเจ้ากลางคือทำจิตทำใจให้หมดปัญหาหมดอวิชชาอุปาทานหมดเรื่องต่างๆที่เคยของจิตของใจของตัวว่าอะไร คือความบริสุทธิ์หลุดไปจากภบชาติจะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกเห็นเด่นชัดไปจากในพระไทยของพระองค์นน่สายตางของท่านสายลางของพวกเราหน่อยอย่างนั้นลางอยู่ในทางต่ำทางชั่วกลางอยู่ในทางกิเลสตัณหาเลยเป็นอัตตาที่พะใจเอาตัวเป็นใหญ่ ไม่ได้เอาทรรเป็นใหญ่โลกาที่พอใจเอาโลกเป็นใหญ่ไม่ได้เอาทรรเป็นใหญ่ถ้าเอาทรรเป็นใหญ่มันจะเป็นไปขนาดไหนเป็นอย่างไรนั้นเหมาะหรือไม่มันจะทราบในใจิตในใจของตัวพราะมันอยู่สายกลางอยู่ในธรรมไม่ได้อยู่ในโลกไม่อยู่ในอยู่ในตนฝึกการทำมําเพนให้รู้ให้เห็น ในจิตในใจของตนเห็นว่าเหมาะดีแล้วเป็นกลางได้นี่เรายังไม่เห็นอะไรยังไม่เข้าใจอะไรก็ถือว่ามันแข่งเกินไปมันเป็นอาัตชาีลมัถาไปแต่ส่วนเป็นกามาสุขันลีการนั้นมันก็เคยเป็นมาอยู่แล้วกลางมันอยู่ที่ไหนเลยไม่เห็นกลางสักทีเพราะทำไม่เป็นกลางให้ เห็นใจสุขต่สบายมันก็สบายแค่นี้แหละโลกของเรานี้มันไม่มีเศษอะไรแต่เราเชื่อเราทำไปอย่างเดิมมันก็เป็นผิดแตกแตกต่างอะไรจิตใจจะดีไวเสียให้อย่าไปหวังพอเราทำมาแบบนี้เห็นแบบนี้เป็นอยู่แบบนี้ถ้าทำการจริงจัง อะไรมันจะพังจะแตกไปเพราะฉะนั้นพังไปแตกไปอะไรมันเหลืออยู่เราจะรู้เราจะเข้าใจในตัวของเรามันหลอกเราต่างหากเรื่องต่างๆนั่นนะแต่มันตายพอมันตายไปเสียเหลืออะไรเราจะได้พูดให้คนฟังนี่คือการทําจริงทําจังกลางหานเด็ดเดี่ยวรู้เห็นในอาในะทำชัดไห ม, มีใครจะมา หลอกลวงได้เพราะทำขนาดนี้จึงเห็นผลเรามันคนยากถ้าหักมันทำง่ายทำสบายแล้วก็ข้ามไปแล้วหมดไปแล้วเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องกิเลสตัณหานี่มันทำยากไม่ใช่ทำธรรมดาจะต้องเอาชีวิตเขาว่ามันจึงจะเห็นจะเป็นกอลองทำไปเมื่อทำไปเห็นรู้อย่างนั้นเราจะปฏิบัติแบบไหน ต่อท่าต่อขันมันก็เป็นกลางเลื่อยไปมันไม่ได้เข้าตัวเพราะจิตเพรายใจของเรามันเป็นธรรมนี่เรายังไม่เป็นธรรมอะไร <c oughs> มันยังเป็นกิเลสตัณหาเป็นโลกอยู่มันจึงไหมถูกสายต่างสักทีมีแต่เบียดแต่ชอบ ไม่มีความเป็นกลางให้ใจมันจึงกระทบกระเทือนอยู่เรื่อยมาพอเขาสันเสริมเย็นยอก่อนหะน้าใหญ่ตาบานขึ้นมาตัวดีตัววิเศษพอเขาตำหนินินทาเขาไปก่อนหะน้าเศร้าเจ้าจุกง้อยเงาเป็นทุกข์ในจิตในใจมันไม่เป็นกลางให้ถ้าใจเป็นกลางเขาจะฝ่ามาแบบไหน มันไม่มีอะไรหวั่นไหวไม่มีอะไรที่จะเสียหายเพราะใจเป็นกลางเป็นอัดเป็นธรรม่านจริงอยู่สุขอยู่สบายไม่วุ่นวายกับตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสหรือจิตเกี่ยวข้องกับสัญนยาอารมณ์ไม่มีอะไรที่จะลาดดึง ความเป็นกลางของท่านให้ตกไปฝั่งนั้นฝั่งนี้นี่คือการประพฤติปฏิบัติที่เป็นกลางคือจิตเข้าถึงอัดถึงธรรมจริงจังท่านสุขท่านสบายอย่เย็นอยูอตอ่ตลอดการตลอดเวลาแะนั้นเราผู้ปฏิบัติลำบากยากยุ่งก็อย่าไปทอดทุระทอถอยว่าเราจะอาภัพอาวาัตนาจะทําไม่ได้ เรามีสิทธ์ที่จะทำได้ปีนี้พิจารณาอย่าไปเชื่อเรื่องของตนที่มีกิเลสตัณหาอย่าไปเชื่อเรื่องของโลกลมปากของคนความนิยมชมชอบของคนให้ทำตนให้ถูกต้องตามเรื่องของธรรมเหตุผลมีอย่างไรทำไปเราจะเห็นความสุขของใจคือบุญคือกุศลที่มันเกิดขึ้น จากการกระทำบาเพ็ญของตนสุขอย่างไรสบายอย่างไรปล่อยวางอย่างไรละถอนอย่างไรนั้นเราจะเห็นในจิตในใจของตัวเองไม่ต้องให้คนอื่นมาเนียมาสอนให้ใจมันสงบใจมันปล่อยวางใจมันละถอนขามไปจักราคาตัญหามานพิธิอวิชาอุปาทานพบชาติ มันเป็นอย่างไรผู้ประพฤชปฏิบัติรู้เห็นไปจากชาัดเจนในใจจะไม่มีปัญหาอะไรถามใครอีกนี่คืออา น, นิสงส์ของการประพฤชปฏิบัติเห็นบุญเห็นกุศลเห็นความสุขความสบายทั้งเมื่อเป็นอยู่และตายไปไม่มีอะไรที่จะสงสัยนี่การประพฤชปฏิบัติอา น, นิสงส์ระจาก ในจิตในใจของตนอย่างนั้นท่านจึงว่าเป็นสัรพิติโกคือเห็นเองเป็นปัจจิตตังเฉพาะตัวอิพากันการทาบำทําเพ็ญอย่าไปคิดว่าวันนั้นก่อนเดือนนี้ก่อนทํากันไปอบรมกันไปพิจารณากันไปเมื่อเราทําอยู่บ่อยๆําจัดอยู่บ่อยๆตัดอยู่บ่อยๆ ต้นไม้มันจะใหญ่โตขนาดไหนมันก็มีวันมีเวลาที่จะพังลงได้หักลงได้ภูเขามันจะใหญ่ขนาดไหนเมื่อเราตั้งใจเกีจะทําลายของมันเจาะเข้าไประเบิดฝังเข้าไปมันก็พังไปได้หมดไปได้นี่ไม่ทําอะไรเพียงหลวบคำคำจะให้ต้นไม้มันหักมันโค่นจะให้ภูเขามันแตกมันทลาย มันเป็นไปไม่ได้อยากให้มันหากมันโค่นก็ต้องตัดมันอยากให้มันพังมันทลายก็ต้องเจาะมันระเบิดมันนี่กิเลสตัณหาในจิตในใจของเราก็ทำนองนั้นถ้าเราพยายามทำไม่เหลือวิสัยท่านจึงมีภาษิตรับรองเอาไว้วิริเยนะทุกขมัตเจติคนจะร่วงทุกไปได้เพราะความเพียรเพียรพยายามกะทำบาเพ็ญอย่าไปเห็น อะไรเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าการรักษาจิตรักษาใจของตัวชำระใจของตัวถ้ามุ่งมั่นตั้งใจเด็ดเดียวอย่างนั้นทุกคนมีทางที่จะพ้นไปจากความชั่วจากทุกข์จากโทษจากพบจากชาติมีแต่ปรารถนาไม่ทำอะไร มันก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะถึงได้ที่จะหลุดได้จะโลนได้จากครบจากขาดของตัวดังนั้นขอทุกคนจงนำไปพินิสิเจนาศึกษาตั้งหน้าปฏิบัติความสุขความสบายความพ้นจากทุกข์จะปรากฏขึ้นในจิตในใจอย่าไปเชื่อ อัตตาที่ปไตยโลกาที่ปไตยให้เชื่อธรรมะที่ปไตยที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ว่าธรรมะเป็นอาการิโกไม่มีการมีสมัยใครต่างใจประพฤติปฏิบัติคนนั้นจะไปจับในมรรคในผลในจิตใจของตนไม่ว่าการใดสมัยใดค่ะมุ่งหน้ามุงตาค่ะเพียรภาวานาละชิเลตแล้วคนนั้นจะ สุขจะสงบจะเห็นผลประจักษ์ชัดเจนในตนนี่แหละเรื่องการกระทำํำบาเพ็ญไม่ใช่คนอื่นเขาจะมาทําให้อาศัยตัวค้องตัวแถานั้นเพราะฉะนั้นจงพากันกระทำํำบาเพ็ญให้เห็นให้รู้อย่าไปคิดว่าเราอาภาัพอาวาสนา <c oughs> เมื่อเราต่างหนา้าต่างตากระทําบำเพ็ญ พยายามอยู่เรื่อยๆจิตใจที่เคยเศร้าหมองจิตใจที่เคยขุ่นมัวจิตใจที่เคยคล่องจิตในกิเลสตัณหายึดถือเรื่องต่างๆนานามันจะตกจะหลนออกไปด้วยใจของตัวมีธรรมะฝ่าฟันความสงสัยความคล่องจิตคลองใจให้หมดไปได้ นี่คือการประพฤติปฏิบัติทำดัะนั้นขอทุกท่านจงมันแต่ทำบำเพ็ญอย่าไปเห็นว่าเป็นหน้าที่ของพระพุธทธเจ้าหรือพระสงฆ์เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ยังมีจิเลตันหาเบียดเบียนกายใจของเราจะต้องำํำระเมื่อทุกคนคิดได้อย่างนั้นตั้งใจประพฤติปฏิบัติกัน ความสุขความเจริญที่เราปรารถนาก็จะมีมาแก่ผูกประพฤติปฏิบัติการอธิบายธรรมะเห็นบ่าพอสมควรเจตเวลาเพราะุ่ติเพียงแค่นี้เอวัง